พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่20สสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายติการนิบาตตติยะปัญ น, นาตหมวดห้าสบที่สามในหมวดห้ที่สมนี้คงแบ่งออกเป็นห้าวรักละประมาณสิบสูตรเช่นเดียวกับหมวดห้าสิบที่เล้าแล้วมาวรที่หนึ่งชื่อสัมโคทิวร์วาด้วยการตรัสรู้วรที่สองชื่ออปาญิกวร ว่าด้วยผู้ที่เกิดในอบายวรกที่สชื่อกุสินาราวักว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงกุสินาราวรกที่สี่ชื่อโยธาชีววักว่าด้วยทหารหรือนักรบวรกที่ห้าชื่อมังคละวักว่าด้วยมงคลวรกที่หนึ่งสำโภทิวักว่าด้วยการตรัสรู้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 ทรงแสดงบุคคลสามประเภทที่ท่าม่ละการกระทําดังจะกล่าวต่อไปว่าจะไปเกิดในอบายในนรกคือหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์2โจทฟ้องผู้ประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์ด้วยข้อกล่าวหาว่าไม่ประพฤติพรหมจรรย์คือเสพกามอันไม่มีมูลสาม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 ทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือผู้ประมาณได้ง่ายได้แก่ผู้ฟุ้งส้านเป็นต้นผู้ประมาณยากได้แก่ผู้ไม่ฟุ้งส้านเป็นต้นผู้ประมาณไม่ได้ได้แก่พระอรหันต์ขีณาศพคือผู้หมดกิเลสทรงแสดงบุคคลสามประเภทคือผู้เกิดในเทพชั้นอากาศารัญจายตนะมีอายุสองหมื่นกับ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 วจีพุจริฤทสีความวิบัตแห่งจิตได้แก่การมีความโลภ ก, กับการคิดปองร้ายส่วนความวิบัตแห่งทิฏฐิได้แก่การเห็นผิดจากคลองธรรมเช่นเห็นว่าฐานที่ให้ไม่มีผลบุญบาปไม่มีเป็นต้นแล้วทรงแสดงสัมปทาคือสมบัติตรงกันข้ามกับวิบัต อีกสามอย่างคือศิลสัมปทาจิตตสัมปทาทิฏฐิสัมปทาทรงแสดงวิบัติสและสัมปทาสาตามชื่อเดิมตามคําอธิบายเดิมแต่เพิ่มว่าวิบัติเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกสัมปทาเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ ทรงแสดงวิบัติสอีกในหนึ่งคือหนึ่งกรรมมนตะวิบัติความวิบัติแห่งการงานได้แก่กายทุจริตวาจีทุจริต 2. อ, อาชีววิบัติความวิบัติแห่งอาชีพได้แก่เลี้ยงชีพในทางที่ผิด 3. ทิฏฐิวิบัติความวิบัติแห่งความเห็นได้แก่เห็นผิด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 ทรงแสดงว่าพระองค์แสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งมีเหตุหรือสนิทฐานมีปาฏิหารตรัสแกมหานามสักยะว่ามีศาสดาสามประเภทคือหนึ่งบัญญัติให้กำหนดรู้กามแต่ไม่บัญญัติให้กำหนดรู้รูปและเวทนา 2. บัญญัติให้กำหนดรู้กามและรูป แต่ไม่บัญญัติให้กำหนดรู้เวทนาสามบัญญัติให้กำหนดรู้ทั้งสามอย่างแล้วตรัสถามว่าคติของศาสดาทั้งสามประเภทนี้เหมือนกันหรือต่างกันพระรันทุกาลามคโคตพูดแนะมหานามสักยะให้ตอบว่ามีคติอย่างเดียวพระกุมีพระภาคตรัสแนะให้ตอบว่า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 ท่านจงละธรรมะสามประการนี้ซะอย่าใส่ใจจงน้อมจิตไปในอมตะธาตุเถิดพระอนุรุธทธะเทระทาตามก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สำหรับข้อความตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าตราสใดที่ยังลกทิ้งคำว่าเราเขาเ ป, เป็นความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ยากที่จะตรัสสรู้ ตรัสแสดงสิ่งสามประการที่คนนำไปอย่างปกปิดไม่เปิดเผยคือหนึ่งมาตุคาม 2. อมนของพราหมณ์ 3. ความเห็นผิดแล้วตรัสแสดงสิ่งที่เปิดเผยแล้วรุ่งโรดคือมนทนแห่งดวงจันทร์มนทนแห่งดวงอาทิตย์และพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว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 แล้วไม่ยึดถือ 2. ยิงไวเทียบด้วยภิกษุผู้รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริง 3. ทํทำลายกายใหญ่ได้เทียบด้วยภิกษุผู้ทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้ทรงแสดงบริสัท3สคือที่แนะนำยากแนะนำง่ายที่ต้องรู้อัถยาศัยแล้วแนะนำ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 หมายเหตุในที่นี้แสดงคนเทียบด้วยมา้าทั้งประเภทด้อยประเภทดีม้าประเภทด้อยใช้คำว่าอัดสังขละดุงโกซึ่งเมืองไทยเราแปลกันว่าม้ากระจกส่วนม้าประเภทดีใช้คำว่าสัทโศเวลากล่าวถึงคุณสมบัติของมา้ากลับแสดงคุณสมบัติแบบเดียวกันทั้งสามประเภทพึงเห็นว่าม้าประเภทด้อยนั้น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 ทรงแสดงบุคคลประเภทดีเลอร์หรือบุรุษอาชาในเทียบด้วยม้าอาชาในโดยแสดงคุณสมบัติของม้าอาชาในที่สมบูรณ์ทั้งสามประการแต่แสดงคุณสมบัติของบุคคลต่างออกไปในข้อสมบูรณ์ด้วยฝีเท้าคือเป็นพระอาหารหันต์หมายถึงผู้ซึ่งทำให้แจ้งเจตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะส่วนที่สามารถตอบปัญหากับมีลาบ คงเหมือนกันทรงสแสดงถึงภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างคือกองศีลสมาธิปัญญาอันเป็นอเสขหมายถึงศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ว่าเป็นผู้สำเร็จล่วงส่วนอยู่จบพรหมจรรย์ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วทรงสแสดงถึงภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างอีกสองประเภทคืออิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหารทายใจได้เป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหารสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์กับอีกประเภทหนึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาญาณนะความรู้ชอบสัมมาวิมุติ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 คือประกอบด้วยการกระทาทางกายวาจาใจอันเป็นอกุศลมีโทษไม่สม่าเสมอไม่สะอาดในฝ่ายดีพึงทราบโดยในตรงกันข้ามทรงแสดงถึงคนพาลผู้ประกอบด้วยธรรมะสามอย่างแยกตามการกระทาทางกายวาจาใจที่เป็นอกุศลมีโทษไม่สม่าเสมอ ไม่สะอาดดังกล่าวข้างต้นทรงแสดงคนพาลดังกล่าวว่าเป็นผู้บริหารตนอย่างถูกขุดมีโทษถูกติเตียนประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนบัณฑิตตรงกันข้ามส่งแสดงการไหว้สามอย่างคือทางกายวาจาใจและสุจริตสามอย่างคือทางกายวาจา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 สายกลางโดยทรงอธิบายว่าปฏิปทาอย่างหยาบช้าได้แก่ที่เห็นว่าการมไม่มีโทษจึงบริโภคกามอย่างเผาตนได้แก่การทรมานตนมีเปลือยกายเป็นต้นอย่างสายกลางได้แก่การเจริญสติประทานสี่คือการตั้งสติสี่อย่าง ทรงแสดงปฏิปทาสามอย่างตามชื่อเดิมอีกเป็นแต่อธิบายต่างออกไปว่าอย่างหยาบช้าอย่างเผาตนเหมือนอย่างข้างตน้นแต่อย่างสายกลางได้แก่ความเพียนชอบสี่อย่างโดยในนี้ได้ทรงแสดงปฏิปทาสามอย่างเฉพาะข้อสุดท้ายโดยแสดงหมวดธรรมะในโพธิปักคียธรรมที่ละหัวข้อจนจบถึงมักมีองค์แปด นึงส่งแสดงผู้ประกอบด้วยธรรมะฝ่ายชั่วสามอย่างฝ่ายดีสามอย่างคือตัวเองประกอบอกุศนลกรรมบดสิบมีฆ่าสัตว์เป็นต้นทำแต่ละข้อด้วยตนเองชักชวนผู้อื่นให้ทำมีความยินดีในอกุศนลกรรมบดสิบแต่ละข้อหรือประกอบกุศลกรรมบดสิบแต่ละข้อด้วยตนเองชักชวนผู้อื่น มีความยินดีในกุศลกรรมบทตรัสอธิบายแต่ละข้อว่าเป็นผู้เหมือนถูกนำไปตั้งไว้ในนรกในสวรรค์สุดแต่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วทรงสแสดงสุญญาตาสมาธิคือสมาธิมีความว่างเปล่าเป็นอารมณ์อนิมิตตสมาธิสมาธิมีความไม่มีเครื่องหมายเป็นอารมณ์